พระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่จะนำพาสัตว์โลกผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ต้องนำเอามาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วถึงจะได้เกิดผลที่ปานาการศึกษาการปฏิบัติและการบรรลุจึงเป็นส่วนที่ เกี่ยวข้องกันต่อเนื่องกันถ้าต้องการที่จะบรรลุต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติการที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ผิดก็ต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติ ก่อนถ้าปฏิบัติโดยไม่ได้ศึกษาก็อาจจะปฏิบัติผิดไปไม่ถูกผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงทรงวางหลักการของการเจริญ มัคสีพ้นสีนิพพานหนึ่งไว้ที่การศึกษาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะบรรลุมัคสีพ้นสีนิพพานหนึ่งตามลำดับการศึกษานี้ในสมัยพระพุทธการหรือในอดีตที่ ผ่านมาก็ศึกษาด้วยการฟังด้วยการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนเพราะการศึกษาในอดีตนั้นคือการอ่านออกเขียนได้นั้นยังไม่กว้างขวางไม่สามารถที่จะให้ผู้ที่ศึกษา ศึกษาจากการอ่านได้ก็เลยต้องใช้การเทศนาการพูดให้ผู้ศึกษาได้ยินได้ฟังแต่ในสมัยปัจจุบันนี้มีการศึกษาคือการอ่านออกเขียนได้ที่กว้างขวางทุกคนอ่านหนังสือได้ ก็เลยสามารถศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยที่ไม่ต้องฟังเทศฟังธรรมก็ได้การอ่านหนังสือก็เป็นเหมือนกับการฟังเทศฟังธรรมคือเป็นการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีการปฏิบัติ เพื่อที่จะได้บรรลุผลคือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งตามลำดับการศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ที่จะปฏิบัติต่อผู้ที่ต้องการจะบรรลุมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่ง ถ้าปฏิบัติดยที่ไม่ได้ศึกษาจะไม่มีวันที่จะบรรลุผลได้เพราะไม่รู้ว่าวิธีการที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องนั้นเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกจะไม่มีใครรู้จากวิธีปฏิบัติ ที่จะบรรลุถึงมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี้ได้เลยต้องมีพระพุทธเจ้ามารู้จักทางก่อนเมื่อรู้จักทางรู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะพระองค์นั้นได้ปฏิบัติมาแล้วและได้รับผลแล้ว จึงได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปพอผู้อื่นได้ยินได้ฟังได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติตามก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งได้รับคือได้บรรลุถึงมรรคสีผลสี นิพานหนึ่งดังนั้นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศฟังธรรมหรือการอ่านหนังสือธรรมะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่สามารถที่จะมองข้ามไปได้จะต้องศึกษากันทุกคนก่อนถ้าได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ ผู้ที่ได้บดรรลุแล้วก็จะง่ายกว่าการศึกษาจากหนังสือเพราะรายละเอียดนี้ในหนังสือจะไม่กว้างขวางเหมือนกับความรู้ของครูบาอาจารย์อยู่กับครูบาอาจารย์ท่านจะคอยแนะคอยบอก เวลาที่เราทำอะไรไม่ถูกท่านก็จะคอยเตือนคอยห้ามแต่ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราปฏิบัติเองเวลาเราทำอะไรไม่ถูกเราก็จะไม่รู้และเราอาจจะหลงคิดว่าเป็นการกระทาที่ถูกก็ได้ถ้าเราทำผิดแล้วคิดว่าถูกเราก็จะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า เมื่อทำผิดแล้วผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาการมีกรูครูบาอาจารย์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มศึกษาเช่นผู้ที่บวชใหม่เป็นพระพระพุทธเจ้าก็ส่งบัญญัติในพระวินยัยในกฎ ไว้ว่าพระที่บวชใหม่จะอยู่ปราศจากครูบาอาจารย์ไม่ได้ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์เถอนิสัยในครูบาอาจารย์ห้าพรรษาเพราะจะได้มีผู้คอยดูแลคอยว่ากล่าวตักเตือนคอยสอนวิธีการที่จะปฏิบัติให้ ถูกต้องได้นี่คือความสำคัญของการมีครูบาอาจารย์ยิ่งมีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้สูงถึงขั้นพระนิพพานท่านก็จะสามารถสอนให้เราไปถึงขั้นพระนิพพานได้ถ้าครูบาอาจารย์ท่านไม่มีความสามารถ <c oughs> คือท่านไม่ได้บรรลุถึงพระนิพพานท่านก็จะไม่สามารถสอนลูกศิษย์ให้ไปถึงขั้นพระนิพพานได้ท่านก็จะสอนได้เท่าที่ขั้นที่ท่านได้ไปถึงถ้าท่านได้ไปถึงขั้นอนาคามีท่านก็จะสอนได้แค่ขั้นอนนาคามีถ้าท่านอยู่ขั้นสกิดาคามีท่านก็จะสอนได้แค่ขั้นสกิดาคามี ถ้าท่านอยู่ขั้นสโสดาบันท่านก็จะสอนได้แค่ขั้นโสดาบันถ้าท่านอยู่ขั้นสมาธิท่านก็จะสอนได้แค่ขัน้ น, น, ขนสมา ธ, าอามาธิอย่างสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงศึกษาก็ได้ศึกษากับพระอาจารย์สองรูปด้วยกันท่านก็สอนได้แค่ระดับสมาธิเท่านั้น คือขั้นรูปประชานอารูปประชานแต่ท่านไม่สามารถสอนให้ขึ้นไปสู่ขั้นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์ได้เพราะไม่มีเพราะท่านเองไม่รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติให้ไปถึงขั้นนั้นได้เพราะพุทธเจ้าจึงต้อง ค้นคว้าหาวิธีด้วยพระองค์เองทรงต้องทดลองผิดทดลองถูกท่านเคยลองผิดเคยอดพกยอาหารถึงสี่สิบเก้าวันด้วยกันเพราะทรงคิดว่าจะเป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้หมดแต่การอดปกยอาหารถึงสี่สิบเก้าวัน ก็ไม่ได้ดับความทุกข์ดับต้นเหตุของความทุกข์คือตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้เพราะความทุกข์ก็อยู่ในใจตัณหาก็อยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายการที่ไปหยุดร่างกายไม่ให้รับประทานอาหารก็ไม่ได้ไปหยุดตัณหาความอยาก ต่างๆได้พอรู้ว่าถ้าอดต่อไปอีกไม่กี่วันก็จะต้องตายอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าถึงต้องถอยกลับทรงพิจารณาเห็นได้ ว, ว่าเดินผิดทางทางนี้ไม่ใช่ไปทางไปสู่การดับทุกข์อย่างแท้จริงยึงย้อนกลับมาสวยพระกาหาร แล้วก็พิจารณาดูว่าความทุกข์นั้นเกิดจากอะไรแล้วความทุกข์นี้อยู่ที่ไหนต้นเหตุของความทุกข์นี้อยู่ที่ไหนก็ทรงเห็นว่าอยู่ที่ใจความทุกข์อยู่ที่ใจต้นเหตุของความทุกข์คือความอยา ก, กตัางๆก็อยู่ที่ใจ วิธีที่จะทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนี้ดับไปก็ต้องดับด้วยวิธีภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเวลาทำใจให้สงบด้วยสมถภาวนาความทุกข์และต้นเหตุของความทุกข์ก็จะสงบตัวลงไปแต่พอจิตถอนออกจากสมาธิ ออกมาคิดมาปรุงมารับรู้รูปเสียงกลินก่นรสโผฏฐะความทุกข์ก็กลับคืนขึ้นมาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็กลับคืนขึ้นมาพราะองค์จึงต้องหาวิธีกำจัดความอยากที่เป็นตเหตุขความทุกข์ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ทรงเห็นว่าต้องเห็นว่า สิ่งที่อยากได้นั้นสิ่งที่คิดว่าจะให้ความสุขกับใจนั้นเป็นความสุขเพียงชั่วคราวเป็นความสุขเดียวเดียวได้มาแล้วความสุขนั้นก็หมดไปแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ก็ต้องหาสิ่งที่อยากได้ เพื่อที่จะมาดับความทุกข์ใหม่ได้มาก็ดับความทุกข์ไว้ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวไม่นานก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่นี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาของพระพุทธเจ้าจนในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ได้ข้อสรุปว่าต้องไม่ทำตามความอยากเท่านั้น ถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เวลาเกิดความอยากก็สอนใจว่าไม่ใช่เป็นวิธีที่จะนำมาซึ่งการดับทุกข์กับการเป็นการต่ออายุของความทุกข์ให้ยืดยาวต่อไปพระองค์ในที่สุดก็เลยได้พบวิถีทางสู่การดับทุกข์ก็คือ ทรงให้ทรงเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้ใจหมดความทุกข์ได้แต่จะกลับทำให้ใจต้องทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะสิ่งที่ได้มาสิ่งที่ให้ความสุขกับใจจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปดับไป เป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้อยู่กับเราไปได้ตลอดท่านทรงเห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราเห็นอนัตตาในสิ่งต่างๆว่าเราไม่สามารถที่จะ ควบคุมบังครับให้เขาให้ความสุขกับเราไปได้เสมอเวลาที่เขาไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้เวลานั้นก็เป็นเวลาที่เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราอยากให้สิ่งนั้นให้ความสุขกับเราแต่สิ่งนั้นเขาหมดสภาพไปแล้วเช่น คนที่เรารักคนที่เป็นคนที่ให้ความสุขกับเราเช่นสามีภรรยาเวลาที่เขาตายไปเราก็จะไม่สามารถหาความสุขจากเขาได้อีกแล้วเวลานั้นความทุกข์ก็กลับคืนมาใหม่เพราะยังมีความอยากหาความสุขกับเขาอยู่ แต่ถ้าเราสามารถหยุดความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ใจของเราก็จะกลับมาสู่ความสงบใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเวลาที่เราไม่มีสิ่งที่เราอยากได้เพราะเราไม่มีความอยากที่จะได้อะไรอีกแล้วเพราะเห็นโทษของสิ่งต่างๆว่า มันไม่เที่ยงมันมันจะต้องหมดไปเวลามันหมดไปดาวจะอยาไม่มีอะไรให้ความสุขเราก็จะทุกข์นี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนเรื่องของการเจริญมรสีผลสี่นิพพานหนึ่ง มรสีผลสีนิพพานหนึ่งนี้ต้องใช้ส ม, มถะและวิปัสสนาภาวนาเป็นเครื่องมือส ม, มถะภาวนาอย่างเดียวนี้ไม่สามารถที่จะทำให้บรรลุ ถ, ถึงมรสีผลสีนิพพานหนึ่งได้แต่ส ม, มถะภาวนานี้ก็เป็นส่วนสำคัญเป็นผู้สนับสนุนผู้ให้กำลังจิตใจ ให้มีกำลังที่จะเห็นความจริงเห็นโทษของตัณหาความอยากเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้อยากมีอยากเป็นดังนั้นก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาได้ ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องจเจริญสัมมถทภวนาก่อนเพราะถ้าไม่มีสัมมาทัวนาคือไม่มีความสงบใจจะไม่มีกำลังที่จะใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของตัณหาของความอยากให้เห็นทุกข์ที่จะตามมา เพราะสิ่งต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องเปลี่ยนไปจะต้องเสื่อมหมดไปเพราะไม่สามารถที่จะไปหักห้ามให้เขาไม่เสื่อมไม่หมดไปได้ถ้ามีสมาธิมีความสงบแล้วใจจะมีกำลังเพราะความอย่าง นั้นถูกตัดกำลังลงไปในระดับหนึ่งทำให้ใจสามารถที่จะใช้เหตุใช้ผลพิจารณาให้เห็นโทษของความอยากแล้วไม่ทำตามความอยากได้แต่ถ้าไม่มีสมาธินี้จะไม่มีกำลังรู้ทั้งทั้งที่รู้ว่าความอยากไม่ดีอยากแล้วจะต้อง ทุกต่อไปก็อดไม่ได้ทนไม่ได้ดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาภาวนาเข้าสู่ปัญญาเข้าสู่การพิจารณาไตาลักษอนิจจงทุกขังอนัตตาเข้าสู่การพิจารณาอาริยสัจสีทุกสมุทยัยนิโรธมรรคได้เราจําเป็นจะต้องมีใจที่สงบก่อน ใจที่มีสมาธิก่อนแต่การพิจารณาปัญญานี้เราไม่พิจารณาในขณะที่ใจสงบนิ่งอยู่ในสมาธิเวลาต้องเข้าใจความหมายของสมาธิว่าเวลาใจสงบนิ่งนี้เป็นเวลาที่ใจต้องการพักผ่อนต้องการเสริมสร้างพลังเหมือนกับร่างกายที่ต้องการพักผ่อนหลับนอน ก่อนที่จะออกไปทํามาหากินทํางานทําการได้ร่างกายต้องได้รับการพักผ่อนหลับนอนได้รับประทานอาหารมีกําลังวังชาพอตื่นขึ้นมาก็จะได้ออกไปทํางานทําการได้ถ้าไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้พักผ่อนหลับนอนเตื่นขึ้นมาไม่ได้ตื่น จะไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงไม่กินข้าวไม่นอนแล้วจะไปทํางานได้อย่างไรฉะนัในใจก็เหมือนกันถ้าใจไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไม่ได้รับประทานอาหารในสมาธิใจจะไม่มีกําลังที่จะไปพิจารณาอนิจจ์ทุกขังอนัตตาไม่มีกําลังที่จะพิจารณาอาริยสัจสีไม่มีกรจิตกระใจพอจะคิดแต่เรื่องของ ความอยากเรื่องของการทำตามความอยากเพราะเป็นเหมือนอาหารของใจในตอนนั้นหนุนกับคนที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารยังไม่ได้นอนนี่จะไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการจะคิดอยู่กับเรื่องอาหารการกินจะคิดอยู่กับการหลับการนอนเท่านั้นดังนั้นเราต้องเข้าใจความหมายของสมาธิว่า การมีสมาธินี้ก็คือการได้รับได้พักผ่อนหลับนอนได้รับประทานอาหารพอออกจากสมาธิมาแล้วก็จะมีกำลังวังชาที่จะมาเจริญวิปัสสนาภาวนาได้มาพิจารณาไตรักเช่นพิจารณาใตรักในสิ่งไหนก็ให้พิจารณาในสิ่งที่เรารักเราชอบเราอยากนั่นแหละหเรารักเราชอบอะไรเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่า เขาเที่ยงหรือไม่เทีย่ยมเอเขาจะให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรหรือไม่โดยเขาให้ความสุขกับเราเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเดี๋ยวเขาก็เสื่อมหมดไปพอหมดไปเราก็ต้องหาใหม่ถ้าหาไม่ได้จะทํำยังไงหาไม่ได้ก็ดิ้นตายมีคือลักษณะของการพิจารณาปลายตั้ ให้พิจารณาอย่างนี้หลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วการพิจารณานี้ก็จะพิจารณาไปได้สักระยะหนึ่งใจก็จะหมดกําลังเหมือนกับทํางานทํางานไปได้สักระยะหนึ่งเราก็ต้องหยุดพักเช่นไปทํางานตอนเช้าพอถึงเที่ยงสี่ชั่วโมงต่อมาก็หยุดพักทํางานกันเพื่อจะได้รับประทานอาหาร ได้พักผ่อนสักชั่วโมงหนึ่งพอได้รับประธานอาหารได้พักแล้วชั่วโมงหนึ่งก็จะมีกําลังที่จะกลับไปทํางานต่ออีกสี่ชั่วโมงไปจนถึงประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นก็ต้องเลิกงานแล้วก็กลับบ้านไปรับประธานอาหารอาบน้ําอาบท่าพักผ่อนหลับนอนจนถึงวันรุ่งขึ้นถึงจะมีกําลังวังชา ออกไปทำงานต่อได้ใจก็เหมือนกันเวลาออกจากสมาธิมาก็มีกำลังวางชาก็สามารถที่จะพิจารณาเรื่องของตายรักเรื่องของอริ ย, รรยสัจสี่ได้แต่พอพิจารณาไปได้สักระยะหนึ่งกำลังก็หมดพิจารณาไม่ไหวแทนที่จะพิจารณาตายรักก็จะพิจารณาขนมนมเนย ของหวานของข่าวของดูของฟัง ท, ที่เที่ยวที่นั่นที่นี่ใจมันจะทะเลทลายแล้วพอมันออกไปอย่างนั้นก็ควรจะหยุดพิ จ, จารณาแล้วก็กลับมาทาสมาธิก่อนทําใจให้สงบใหม่ให้อาหารกับใจใหม่เพื่อจะได้ดับกามฉันทะเพื่อลดกลังของกามฉันธา เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานเราจะได้เดินจงกรมพิจารณาร่างกายเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาอสุภะพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรือถ้าเรายังมีความรักความผูกพันอยู่กับลาบยศสรรเสริญอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโพธพิภะ เราก็ต้องพิจารณาสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับให้มันให้ความสุขกับเราได้ไปตลอดเวลามันมีการเจริญมีการเสื่อมเวลามันเจริญมันก็ให้ความสุขกับเราเวลามันเสื่อมมันก็ให้ความทุกข์กับเราจนเวลาได้เงินได้ทองมา เราก็ดีอกดีใจพอเงินทองหมดเราก็เดือดร้อนวุ่นวายใจนี่คือสิ่งที่เราควรจะพิจารณาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปยึดไปติดไม่ต้องไปอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ความสุขกับเราเพราะเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ เราสามารถอยู่ได้เพราะเรามีความสุขที่เราได้รับจากการเจริญสมาธินี้เองนี่แหละคือเรื่องของการเจริญวิปัสสนาเราต้องเจริญสลับกับการพักเข้าไปในสมาธิสลับกันไปท่านเปรียบเทียบการทํางานของสมถภ า, ภาวนากับวิปัสสนาภาวนาว่าเป็นเหมือนการ การก้าวย่างของเท้าซ้ายและเท้าขวาเวลาเราเดินนี่เราไม่ได้เดินทีเดียวสองเท้าพร้อมๆกันเราไม่ได้ก้าวพร้อมกันสองเท้าเราก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาก็คอยยันไว้พอเราก้าวเท้าขวาเท้าซ้ายก็จะคอยยันคอยสนับสนุนการก้าวของเท้าขวาสมาธิกับปัญญาก็เป็นอย่างนั้นต่างฝ่ายต่างสนับสนุนกัน เวลาใจสงบก็จะสนับสนุนให้พิจารณาปัญญาพออกพิจารณาปัญญาดับกิเลสดับตัณหาตัวไหนได้ก็ทําให้ใจสงบเพิ่มมากขึ้นไปทุกครั้งที่เราตัดกิเลสตัดเติมตัณหาได้แต่ละครั้งนี้ใจจะมีความสงบมากเพิ่มขึ้นไปมีความอิ่มเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพาน ใจก็จะอิ่มไปตลอดสุขไปตลอดอนี่เกิดจากการบำเพ็ญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าไม่มีพระพุทธจเจ้ามาตัดสรุ้มาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สตว์โลกสัสตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเราก็จะไม่รู้จากคำว่าวิปัสสนาภาวนาจะรู้ก็แค่ขั้นสมถะภาวนา เพราะเป็นการปฏิบัติที่มีอยู่ก่อนที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ปรับโลกทั้งหลายผู้สวรรหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ของจิตใจก็จะปฏิบัติได้เพียงถึงขั้นของสมาธิหรือขั้นสมถะภาวนาเท่านั้นสามารถดับความทุกข์ได้ชั่อข่าวเป็นเหมือนกับการเอาเห็นมาทับย่า สมาธินี้เป็นเหมือนหินที่ทับหญ้าไว้เวลาเอาหินมาทับหญ้าหญ้าก็จะไม่งอกขึ้นมาพอออกจากสมาธิก็เหมือนกับเอาหินยกหินออกจากหญ้าหญ้าก็จะงอกกลับเือนขึ้นมาใหม่นี่ก็คือเป็นการปฏิบัติในยุคที่ไม่มีสมัยในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจา้าไม่มีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้นําทาง ผู้ปฏิบัติก็จะปฏิบัติได้แค่ขั้นหินทับยาดับความทุกข์ได้ชั่วคราวเวลามีความทุกข์ความวุ่นวายใจก็ไปสงบสติอารมณ์นั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไปความทุกข์ก็จะสงบตัวลงไปพอออกจากสมาธิมาไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ปัญหาความอยากก็กลับคืนขึ้นมาความทุกข์อันเก่าก็กลับคืนขึ้นมามีปัญหากับใครพอกลับไปเจอคนนั้นไปเจอสิ่งนั้นปัญหานั้นก็กลับคืนขึ้นมาไม่สามารถที่จะตัดปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปได้ตัดความทุกข์ที่เกิดอยากที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กับบุคคลต่างๆเหล่านั้นได้ พาอไม่มีใครสอนเรื่องตายรักถ้าสอนเรื่องตายรักว่าสิ่งต่างๆนี้เขาไม่เที่ยงเขาไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเราเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาดีกับเราก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาไม่ดีกับเราก็ไม่ได้สิ่งที่เราสั่งได้ก็คือใจของเราเรากลับไม่สั่งสั่งให้ใจของเราเฉยๆไว้ เขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาจะร้ายก็เรื่องของเขาพอเราใจเราเฉยแล้วเราก็ไม่ทุกข์กับเรื่องของเขาเขาจะดีเราก็ไม่ทุกข์เขาจะร้ายเราก็ไม่ทุกข์เขาจะเป็นจตายเราก็จะไม่ทุกข์แต่ตอนนี้ใจของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอเรารักใครเราก็อยากจะให้เขาดีอยากจะให้เขาเป็นไม่ให้เขาตาย อเอาขาไม่ดีพอเขาตายเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจเราพิจารณาว่าก่อนว่าคนที่เรารักนี่ต่อไปเขาจะต้องแก่ต่อไปเขาจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปเขาจะต้องตายไม่มีใครห้ามความแก่ความเจ็บความตายของใครได้ แต่ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าเรายอมรับความจริงถ้าเราปล่อยให้เขาแก่ปล่อยให้เขาเจ็บปล่อยให้เขาตายไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขานี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีคำสอนอันใดในโลกนี้ที่จะสอนอย่างนี้ มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะสอนให้เรานี้ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเลยไม่ต้องหนีหลบเข้าไปในสมาธิหลบก็หลบได้ชั่วคราวพอออกมาก็เจอความทุกข์เหมือนเดิมแต่ถ้ามีวิปัสสนามีปัญญาเห็นใจรักเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากไปอยากให้เขาเป็นอนิจจังอยากไปอยากให้เขาเป็นนิจจังอยากไปอยากให้เขาเป็นอัตตาคือให้เขาอยู่ภายใต้คำสั่งของเราให้เขาอยู่กับเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่ามันเปลี่ยนไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่การเปลี่ยนแปลงมันอาจจะที่เราเล็กเท่าน้อย เราเลยมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงกันถ้าไม่เชื่อลองถ่ายรูปของเราไว้วันนี้แล้วอีกสักห้าปีสิบปีมาดูรูปภาพของเราใหม่ดูซิว่าเหมือนกันหรือเปล่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าหรือมองกลับไปรูปที่เราถ่ายเมื่อยี่สิบปีก่อนกับวันนี้เป็นอย่างไรเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าเหมือนกันหรือเปล่า ไม่เหมือนนะทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ของใช้ไม้สอยก็เหมือนกันของที่เราซื้อมานนมอยีา่สิบปีในวันนี้มันเป็นอย่างไรรถที่เราซื้อมาเมื่อยี่สิบปีก่อนในวันนี้มันเป็นอย่างไรมันยังใหม่เหมือนเมื่อยี่สิบปีก่อนหรือเปล่าหรือตอนนี้กลายเป็นเจ็ดเหล็กไปแล้วนี่คือเรื่องของอนิจจ์เรื่องของอนัตตาก็คือห้ามเขาไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราอย่ามาห้ามความเสื่อมอย่ามาห้ามการพัดพรากจากกันห้ามไม่ได้อย่าไปอยากพออยากแล้วมันจะทุกข์ก็มีเท่านี้แหะการปฏิบัติก็ปฏิบัติให้เห็นความจริงแล้วก็ปล่อยให้ความจริงเข้าเป็นปลตามเรื่องของเขาเราอย่าไปดัดแปลงอย่าไปบีบไปขั้นไปดากไปจูงเขาไปดึงเขาไว้ ดึงเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เหมือนกับฝนจะตกมีใครห้ามฝนตกได้ฝนจะหยุดใครไปห้ามไม่ให้หยุดได้ฉันใดของจะเสื่อมของจะจากเราไปคนจะเสื่อมคนจะจากเราไปเราก็ห้ามไม่ได้แต่ที่เราห้ามได้ก็คือใจของเราห้ามใจของเราอย่าไปอยากให้เขาไม่เสื่อมไม่จากเราไปเท่านั้นเองพอเราห้ามใจได้ ทำใจเฉยได้ใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการเสื่อมกับการเปลี่ยนแปลงกับการสูญจากไปของสิ่งต่างๆหรือของบุคคลต่างๆหรือแม้แต่ร่างกายของเราเองก็เป็นแบบเดียวกันเป็นเหมือนกันหมดทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกนี้ไม่ทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตาย แต่พวกเรานี้ทําไมต้องมาทุกกับความเกิดแก่เจ็บตายก็เพราะเราไม่รู้จักหยุดความอยากเราไม่รู้จักทําใจของเราให้นิ่งให้สงบเราจึงต้องมาฝึกทําใจให้นิ่งสงบเรียกว่าสมถะ ภ, ภาวนาก่อนเอามีสมถะ ภ, ภาวนาพอใจจะดิ้นไปทางความอยากก็ดึงกลับเข้ามาที่สมถะที่ความสงบ พอใจอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปัญญาก็บอกว่าอย่าไปอยากอยากแล้วจะทุกข์เขาจะไปปล่อยเขาไปเขาจะเป็นอะไรปล่อยเขาไปถ้าเราห้ามไม่ได้ถ้าเราทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อย hein? แล้วเราจะไม่ทุกข์ hein? ถ้าไม่ปล่อยเราจะทุกข์แล้วเขาก็จะไปอยู่ดี hein? ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทำให้ใจเราทุกข์ไปเปล่า กับสิ่งต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุม บ, คบังคับไม่สามารถสั่งให้เป็นไปตามความอยากของเราได้ดังนั้นเราจึงต้องมีสมถะภ า, าวนาก่อนก่อนที่เราจะไปสู่วิปัสสนาภาวนาไปสู่วิมุตติการหลุดพ้นหรือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ การบรลธรรมก็คือการหยุดความอยากชนิดต่างๆนั่นเองไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นี้ความอยากต่างๆนี่แหละที่เป็นเป็นอุปสรรคที่มีอยู่เป็นขั้นๆพระโสดาบันก็มีความอยากของพระโสดาบันเช่นพระโสดาบันก็อยากไม่เสื่อมอยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย <c oughs> ก็ไปทําพิธีกรรมต่างๆ <c oughs> เวลาไม่สบายก็ไปหาหมอดูไป ว่าเจ้าไปทำอะไรที่เขานิยมจะทำกันเพื่อให้มันหายคือหายไม่หายก็ไม่รู้อะความอยากที่จะให้มันหายก็ต้องไปทำซึ่งความจริงแล้วถ้ามันจะหายจะทำหรือไม่ทำมันก็หายอยู่ดีเช่นไปหาหมอหมอให้ยามากินถ้ากินแล้วรักษาโรคได้โรค ก, ก็หายแต่ถ้า หมอให้ยามาแล้วกินแล้วไม่หายมันจะตายก็ไม่มีใครห้ามได้จะไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆมันก็แก้ไม่ได้อยู่ดีที่ต้องแก้ก็คือไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายแต่ความเจ็บของใจคือความทุกข์ของใจที่เป็นสิ่งที่แก้ได้ถ้ามีตมีปัญญาเห็นว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้ มันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดมันก็ต้องตายไปต่อให้มียาวิเศษขนาดไหนมีหมอวิเศษขนาดไหนมันก็ห้ามไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้จะทำอย่างนี้ได้จะคิดอย่างนี้ได้ใจก็ต้องมีสมัตมีความสงบก่อนมีสมาธิก่อนถึงจะมีสติสตังที่จะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้ ถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีสติสตังจะคิดถึงเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจะคิดแต่ว่าไม่อยากตายไม่อยากเจ็บอยากจะให้มันหายอย่างเดียวใครบอกวิธีใดทำอะไรก็วิ่งไปหาหมอวิเศษที่ไหนก็วิ่งไปหายาวิเศษที่ไหนก็วิ่งไปหาหาแล้วบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายหายคราวนี้เดี๋ยวคราวหน้าก็เป็นใหม่อยู่ดี และในที่สุดมันก็จะไม่หายอยู่ดีมันก็ต้องตายอยู่ดีไม่คิดอย่างนี้บ้างถ้าคิดอย่างนี้บ้างแล้วก็ไม่ต้องไปหาให้มันเหนื่อยรอรับมันดกา่ายินดีต้อนรับคุณจะแก่เราก็ยินดีต้อนรับคุณจะเจ็บเราก็ยินดีต้อนรับเรารักษาคุณได้เราก็จะรักษาเรารักษาคุณไม่ได้คุณจะตายก็ยินดีต้อนรับก็เท่านั้นถ้ายินดีแล้วจะไม่ทุกข์ ที่ทุกข์ก็เพราะว่าไม่ยินดีกันท่านั้นเองเรื่องของสิ่งต่างๆเรื่องของความทุกข์ต่างๆอยู่ที่ใจของเราท่านั้นเองที่ไม่ยินดีกับการปรากฏของสิ่งต่างๆขึ้นมาของเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาเพราะไม่มีใครสอนตอนนี้เรามีพระพุทธศาสนามาสอนพวกเราแล้วสอนให้พวกเราทำใจให้สงบกัน วิธีทำใจให้สงบก็สอนแล้วว่าต้องมีสติต้องควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แสดงว่ามีหลายอารมณ์ให้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วอยู่กับร่างกายไปแลืออยู่กับความตายไปก็ได้คิดถึงความตายอย่างเดียวคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องตายต้องดับไปหมด คิดมันอยู่อย่างนี้ใจก็จะสงบได้ใจก็จะเข้าสู่สมาธิพอใจสงบแล้วก็ออกจากความสงบก็ให้ไปคิดทางปัญญาต่อคิดทางอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อคิดถึงอริยสัจ ส, สีว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของเขา เขาจะแก่ก็ปล่อยเขาแก่เขาจะเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บถ้ารักษาไม่ได้ถ้ารักษาได้ก็รักษาเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายถ้าห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาตายเท่านั้นเองแล้วใจจะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครของเราเองก็จะไม่ทุกข์ของคนที่เรารักเราก็จะไม่ทุกข์ยิ่งของคนที่เราไม่รักนี่เราไม่ทุกข์อยู่แล้ว คนที่ไม่รักนี่เขาจะแก่จะเจ็บจะตายเมื่อไหร่นี่เราไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยคนที่เดือดร้อนคนที่ทำให้เราเดือดร้อนก็คือคนที่เรารักคนที่เรารักร่างกายของเราเราก็รักพอมันจะตายเราก็เดือดร้อนแต่เราต้องรู้ว่าห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้ตายไม่ได้แต่ห้ามใจไม่ให้ทุกข์ได้ด้วยการอยากไปอยากให้มันไม่ตายเท่านั้นเอง วิธีจะท่ามใจได้ก็ต้องมีสมาธิพอสั่งให้อยู่เฉยๆมันก็จะอยู่เฉยๆสั่งให้มันสักแต่ว่ารู้มันก็จะสักแต่ว่ารู้เพราะเรามีความสามารถที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นแล้วเวลาเรานั่งสมาธิก็เพื่อที่จะให้ใจมันอยู่เฉยๆให้มันสักแต่ว่ารู้นี่เองพอเรารู้จักแล้วต่อไปเวลาเราต้องการให้มันอยู่เฉยๆสักแต่ว่ารู้เราก็ทาได้ เวลาร่างกายเจ็บไายได้ป่วยจะตายเราก็พุทโธพุทโธไปทําใจให้สักแต่ว่ารู้ไปปล่อยวางร่างกายไปเราก็ไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายเวลาอะไรจะจากเราไปเราก็พุทโธพุทโธไปทําใจให้เฉยเฉยไปสักแต่รู้ไปว่า อ, อ๋อสิ่ง น, นี้จากเราไปแล้วน ะ, ะคนนี้จากเราไปแล้วน ะ, ะ, ะก็เท่านั้นเองจะไปห้ามเขาได้อย่างไรห้ามไม่อยากให้เขาไม่จากเขาก็ไปอยู่ดีะ ให้คิดอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดได้อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาที่ไม่มีศาสนาคําสอนของใครในโลกนี้ที่จะสามารถให้กับเราได้ต้องเป็นพระพุทธศาสนาเท่านั้นต้องมีพระพุทธเจ้ามาตารัสรู้แล้วมาประกาศพระธรรมคําสอน แล้วก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธาน้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนได้บรรลุเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะมาทําหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนาแทนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะมาเผยแผ่สั่งสอนคําสอนอันประเสริฐนี้ให้แก่ผู้ที่ยัง เข้าไม่ถึงผู้ที่ยังไม่รู้เพื่อที่จะได้รู้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติและจะได้บรรลุและได้จะได้เป็นพระอาหารหันต์สาวกตามลำดับต่อไปถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุก็จะมีพระพุทธศาสนาต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้ามไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุต่อไปศาสนาก็จะหายไป ตอนนี้ศาสนาก็จะว่ามีก็ไม่เชิงจะว่าไม่มีก็ไม่เชิงที่ว่าไม่มีก็ตรงที่ไม่มีการศึกษาญาติโยมส่วนใหญ่ในนี้เข้าวัดไม่ได้ศึกษากันเข้าวัดเหมือนกับเข้าไปไหว้เจ้ากันไปจุดทูบจุดเทียนบริจาคเงินใส่กระปุกใส่กล่องใส่ตู้แล้วก็อธิษฐานขอนู่นขอนี่วุ่นไปหมดอันนี้เรียกว่าไม่ไม่มีการศึกษา พอไม่ศึกษาก็เลยปฏิบัติไม่ถูกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เคยสอนให้จุดทูบเทียนแล้วก็ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้การบริจาคทรัพย์นี่ไม่ได้บริจาคเพื่อซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้การบริจาคเพื่อตัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากได้เงินได้ทองความอยากที่จะใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขดับความทุกข์ต่างๆที่ไม่ใช่เป็นวิธีการ นี่คือนี่คือส่วนส่วนนี้เรียกว่าเสื่อมไปแล้วอต่ว่าไม่มีก็ได้แล้วไม่ใช่พระพุทธศาสนาแล้วส่วนที่มีก็ที่ตรงไหนที่ยังมีการศึกษามีการฟังเทศฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมมีการบรรลุธรรมอยู่ส่วนนั้นก็ยังไม่เสื่อมส่วนนั้นจะหายากทุกวันนี้เหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรต้อง ไปหากันเพราะว่าการจะหาศาสนานี้ต้องไปอยู่ห่างไกลจากความเจริญทางด้านวัตถุถ้าที่ไหนมีการเจริญทางด้านวัตถุที่นั่นจะมีการเสื่อมทางด้านศาสนาถ้าที่ไหนไม่มีการเจริญทางด้านวัตถุที่นั่นจะเป็นที่เจริญของศาสนาก็คือตามป่าตามเขาตามวัดป่าตามวัดเขา อยากจะไปพบพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักจะต้องไปตามป่าตามเขาไปตามวัดป่าวัดเขากันถึงจะได้เจอกันนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วมีพระอาลหลันตสาวกเป็นผู้ที่มารับช่วงดูแลรักษาพระพุทธศาสนาต่อไป ถ้ายังมีการศึกษามีการปฏิบัติยังมีการบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ตามนั้นศาสนาก็ยังจะมีอยู่อาจจะไม่ใหญ่ไม่โตแต่ก็ยังมีอยู่ดีกว่ามีศาสนาที่ใหญ่โตแต่ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมเช่นมีแต่ถาวลวัตถุไปที่ไหนก็มีวัดสวยงามเจดีย์ใหญ่โตโบสถ์ใหญ่โต แต่ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมอย่างนั้นก็เป็นเป็นแต่เหมือนกับฉากของภาพยนตร์เคยเห็นเวลาเขาไปถ่ายภาพยนตร์ไหมมาไปดูที่โรงถ่ายมันเป็นของปลอมของเกงมันมีแต่มันมีแต่หน้าไปดูข้างหลังมันเป็นแต่ไม้เป็นแต่กระดาษข้างหน้าก็ดูเป็นเป็นตัวตึกเป็นตัวอาคารแต่พอไปดูข้างหลังอ่ะมันเป็นแค่ กระดาษเป็นแค่ไม้ที่เขาสร้างขึ้นมาหลอกตาเราฉันใดความเจริญของศาสนาทางด้านวัตถุก็เป็นเหมือนกับฉากภาพยนตร์ดีๆนี้เองไม่มีของจริงอยู่ในนั้นเลยดังนั้นอย่าหลงประเด็นถ้าอยากจะได้ประโยชน์จากพระศาสนาต้องไปศึกษาต้องไปปฏิบัติถึงจะได้บรรลุกถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติ ไปจุดทูกเทียนสามดอกบริจาคเงินแล้วก็กลับบ้านอย่างนี้ก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากศาสนาพุทธที่นานๆจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งหลังจากศาสนานี้หมดสิ้นไปแล้วก็เป็นเวลาอีกยาวนานกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้มาสอนพระธรรมคำสอนดังนั้นชาตินี้ยังถือว่าเป็นชาติที่วิเศษเป็นโชคมหาศารของพวกเรา ที่ได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะไม่ใช่ทุกครั้งที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ที่เราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาดังนั้นตอนนี้เราได้พบแล้วก็อย่าปล่อยให้โอกาสอันดีงามนี้หลุดลอยไปจากมือเหมือนกับตอนนี้น้ําขึ้นแล้วให้รีบตักเสียเพราะวันข้างหน้าเวลาน้าลดแล้วไม่มีน้าแล้วก็จะไม่สามารถตักน้ําเก็บเอาไว้แชได้ต่อไป ยังขอให้เราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเ ว, วันเวลาของเรานี้จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเวลาที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆอย่าให้เหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆกิจการต่างๆมาแย่งเวลาอันมีค่าของเราไปพยายามต่อสู้อย่าไปยุ่งกับกิจการต่างๆเรื่องราวต่างๆขอให้พุ่งไปที่การศึกษาการปฏิบัติ และการบรรลุธรรมนี้เท่านั้นขอให้เราใช้เวลาทั้งหมดของเราให้กับการศึกษากับการปฏิบัติและกับการบรรลุธรรมแล้วเราจะไม่เสียโอกาสเราจะไม่กลับเราจะไม่เกิดมาเสียชาติเกิดเราจะได้รับประโยชน์ของพระพุทธศาสนาอย่างที่พระอรหันต์ตาวกทั้งหลายท่านได้รับประโยชน์กันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริปเรนติสากรลง า, า, างเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปาเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยะามณิจติอราโสยะาสพีติโยวิวาจันโตสรรพโลควินาศตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริษะริจังวุทฒาปจายโนจตารุธมรมวัฏานติ อายุวโนสุขังภาลางต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมถ้าอยู่ที่นี่อยากจะถามก็ขอเชิญขึ้นมาถามได้เอาผ้าปิดหัวก็ได้ทำ ครับต่อไปเป็นคำถามที่มีผู้ฝากถามจากที่นี่นะครับ แม่ตายแล้วนำร่างแม่ไปทำพิธีเผาในช่วงบ่ายตกตอนกลางคืนของวันที่เผาเวลาประมาณห้าถึง5ท่ห้าทุ่มเที่ยงคืนลูกเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงแม่ร้องไห้ขึ้นสองครั้งเสียงดังมากที่หน้าห้องน้ำคำถามทำไมตายแล้วเผาแล้วลูกทำไมถึงได้ยินเสียงแม่คะเพราะว่าแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวแม่อยู่ในโลกที่ ใจของเราก็อยู่ในโลกทิ่เนเวลาแม่ร้องใจของเราก็จะได้ยินใจเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายใจของแม่ก็ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเวลาร่างกายตายไปนี้ใจไม่ได้ตายเราต่างกับแม่ตรงที่ว่าเรามีร่างกายเรามีใจมีสองส่วนแต่แม่มีส่วนเดียวคือใจแต่ใจนี้กับใจสามารถติดต่อกันได้ ข้อที่สองลูกทำบุญอุทิศให้แม่แม่จะได้รับหรือเปล่าคะก็อยู่ที่ว่าแม่รอรับต้องการหรือเปล่าคือถ้าแม่ทำบุญมากแม่เป็นเศรษฐีบุญก็ไม่มารอรับบุญที่เราอุทิศให้ถ้าแม่ไม่ได้ทำบุญแม่เป็นขอทานบุญก็จะมารอรับส่วนบุญนี้ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ e บุ o กพระอาจารย์สุชาติอภิชาโต ทางกลุ่มธรรมบนเขาและทางเพจคณะสิทธิพระจารย์สุชาตินะครับคำถามแรกจากคุณนันทลัก์นะครับความคิดปรุงมันห้ามไม่ได้แต่รู้ว่าคิดด้วยสติพอรู้แล้วเราก็วางมันไม่ไปตามมันมันก็เกิดดับอยู่ตลอดถ้าเราอยากพักความคิดที่มันเกิดขึ้นเองเราต้องรักษาจิตให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยการทาความสงบของใจใช่ไหม ถูกต้องเราต้องมีสติอยู่กับอารมณ์เดียวก็คือบริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกอย่าปล่อยหรืออย่าไปสนใจกับความคิดที่อาจจะแทรกเข้ามาถ้าเราไม่ไปสนใจเราสนใจอยู่กับอารมณ์เดียวที่เรากาหนดไว้เดี๋ยวอารมณ์นั้นมันจะรวมจิตให้เข้าสู่ความสงบได้คำถามข้อต่อไปจากคุณวูซัมนะครับ ข้อที่หนึ่งพระอรหันต์เป็นสมบัติของโลกหรือไม่คะก็มันเป็นอนัตตามันจะเป็นสมบัติของใครได้ที่ไหนออนัตตาก็คือไม่มีเจ้าของของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีเจ้าของเราไปตู่เอาเองว่าเป็นของเราเช่นเราไปซื้อ แล้วไปจับจองที่ดินตรงไหนแล้วเราก็บอกเป็นของเราขึ้นมาความจริงมันไม่เป็นของใครมันก็เป็นของดินน้ําลมไฟโลกนี้ทํามาจากดินน้ําลมไฟเจ้าของที่แท้จริงก็คือดินน้ําลมไฟแต่จิตนี้พระอรหันต์นี่อยู่ในจิตของแต่ละดวงก็เป็นของจิตดวงนั้นไปจิตของพระพุทธเจ้าก็เป็นของพระพุทธเจ้าจิตของเราก็เป็นของเรา จิตของเราก็เป็นอาหารได้ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนทาทานรักษาศีลภาวนาไปต่อไปจิตของเราจากปุถุชนก็จะกลายเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเป็นสระสกิดาคามีพระอนาคามีและในที่สุดก็เป็นพระอาหารหันนี่คือจิตของทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้อยู่ที่ว่า เราจะเพียนพยายามเปลี่ยนจิตของเราหรือไม่เท่านั้นเองจิตของเราถ้าเปรียบเทียบตอนนี้ก็เหมือนกับก้อนเพชรที่เราเพิ่งขุดมาจากดินใหม่ๆก้อนเพชรที่เราได้จากดินนี้มันสวยไหมมันไม่สวยละมันก็เป็นเหมือนก้อนหินทั่วๆไปแต่พอเราเอาไปให้ช่างที่ก็มีความจนานาญเจรไนก็ไปเจรไนขัดซะพอทําเสร็จนี้ดูเป็นเพชรแวววาวเห็นแล้วน่าชื่นชมน่ายินดี เป็นอย่างยิ่งใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราเอาใจของเราไปให้พระพุทธเจ้ามาเจรในคือเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเจรในามาทำทานมารักษาศีลมาภาวนาเดี๋ยวใจของพวกเราก็จะกลายเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาเป็นได้ทุกคนเพราะมันเป็นเหมือนกันใจของคนทุกคนเป็นเหมือนกันที่จะเป็นไม่เป็นมันอยู่ที่จะทาหรือไม่ทาเท่านั้นเอง จะพาไปหาคนที่เขารู้จักวิธีเจรไนให้เขาสอนเราเจรไนหรือไม่ถ้าพาไปหามีคนที่รู้จักวิธีเจรไนให้เป็นพระอาหารหันเราก็เป็นได้เนี่ยครูบาอาจารย์พระอาหารหันทั้งหลายก่อนที่ท่านจะเป็นพระอาหารหันท่านก็เป็นเหมือนพวกเราอยู่ตอนนี้ท่านก็มีโลคโกิดหลงมีตัณหาความอยากมีทุกข์วุ่นวายใจกับเรื่องต่างๆแต่พอท่านได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วท่านก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วโลภโกรธหลงมันก็ค่อยๆหายไปหมดไปในที่สุดมันก็หายไปหมดจิตก็กลายเป็นจิตบริสุทธิ์ขึ้นมาจิตเป็นจิตพระอระหันต์ขึ้นมาก็มีเท่านั้นล่ะข้อที่สอง นั่งสมาธิจนจิตสงบเบื่อหน่ายกับการพิจารณาร่างกายรู้สึกซ้ำซากอยากพักอยู่ในสมาธินานๆานสบายหรือทำงานหนักแล้วได้พักผ่อนเต็มที่ขณะประคองจิตใจอยู่สบายนั้นได้ไม่นานก็เหมือนมีคนปิดไฟสว่างจ้าตอนเรากำลังนอนหลับในที่มืดสนิทแล้วก็ดับไปนี่คือการส่งสัญ ญ, ญาณอะไร หรือเป็นธรรมชาติของจิตที่ไม่ยอมให้เราพักจิตจากการพิจารณาเลยหรือเจ้าคะคำว่าปิดคงเป็นเปิดครับพระอาจารย์ก็จิตนี่เวลามันสงบมันก็มักจะมีอาการแปลกๆให้เราเห็นบางทีก็แสงสว่างบางทีก็มีความรู้สึกซาบซึ้นขนลุกซา ข, ขึ้นมาก็เป็นอาการที่เป็นส่วนหนึ่งของความสงบท่านั้นเอง แต่มันก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็ห้ามันไม่ได้มันจะเกิดหรือไม่เกิดเราไปสั่งมันไม่ได้ถ้ามันไม่เกิดก็ไม่ต้องไปกังวลบางคนสงบแล้วก็นิ่ ง, งๆเฉยๆไม่มีแสงสว่างไม่มีความรู้สึกขนลุกสู้แต่อย่างใดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะผลที่เราต้องการก็คือความสงบความนิ่งความสบายใจเท่านั้นเอง คำถามข้อต่อไปจากคุณนิติ ว, วิตนะครับซึ่งเขาเล่ามาในเบื้องต้นนะครับว่าเขาฝันเป็นนิมิตประมาณว่าได้พบกับหลวงตาได้พบกับพระอาจารย์วันชัยหรือได้เคยบวชเป็นพระใหม่นะครับแล้วก็มีคําถามมาว่าอาการว่างจากความคิดชั่วคราวไม่มีความนึกคิดอะไรเลยชั่วขณะหนึ่งตามที่เล่ามาข้างต้นนั้น เกิดขึ้นโดยไม่มีความตั้งใจกำหนดว่าจะทำสมาธิเกิดขึ้นจากอะไรทำไมถึงเกิดขึ้นมาได้ขอรับปัจจุบันไม่เคยเกิดสภาวะที่เคยเป็นตามที่กระผมขอโอกาสเล่าแต่ต้ น, ตนก็อย่างที่บอกจิตบางทีมันถึงเวลามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองได้ถ้าเราไม่รู้เหตุว่ามันเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าเรารู้เราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกเราก็ทำให้มันเป็นได้ ถ้าเราไม่รู้ก็ต้องถือว่าเป็นเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของอนัตตาไปเท่านั้นเองมันเป็นอดีตไปแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจกับมันถ้าอยากจะให้มันสงบก็รู้จักวิธีก็ทำแบบนั้นไปถ้าไม่ทำมันก็จะไม่สงบไอเหตุการณ์แบบนั้นอาจจะเกิดขึ้นครั้งเดียวเท่านั้นเองถ้าเราต้องการให้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเ น, นื่องเราก็ต้องรู้เหตุว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าเราไม่รู้ก็ถือว่าเป็นของแถมไปก็แล้วกันคำถามข้อต่อไปจากคุณเทพกวีนะครับลักษณะจิตรวมกับลักษณะหลับในขณะนั่งสมาธิเราจะทราบได้อย่างไรครับคือหลับก็จะไม่รู้ถ้ารู้ก็ไม่หลับอย่างตอนนี้เราหลับหรือเปล่าเนี่ยเราคุยกันอย่างนี้ ใครชมเราก็รู้ใครด่าเราก็รู้ฉันใดเวลาจิตรวมเราก็รู้แบบเดียวกันเนี่ยจิตไม่รวมเราก็รู้ว่าไม่รวมแต่ถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าหลับคําถามข้อต่อไปจากคุณจีรวันนะครับอาการจิตหลุดจากการทําสมาธิแล้วเพี้ยนเกิดขึ้นได้ไหม คือการเพี้ยนมันเกิดขึ้นได้หลายลักษณะด้วยกันไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากจากการหลุดจากสมาธิวามเพี้ยนก็คือความมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนั่นเองแล้ว ก, การไม่มีสติคอยควบคุมจิตใจไม่ให้ไหลไปตามความเห็นที่ผิดนี่พอใจคิดผิดก็ทำผิดถ้าปล่อยให้ทำไปก็เลยกลายคนเพี้ยนไป ถ้ามีสัมมาทิฏฐิมีสติก็คอยดึงใจให้อยู่ในสัมมาทิฏฐิเะะนั้นมันอยู่ที่ตัวสติมากกว่าที่จะทำให้คนเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนอยู่ที่สัมมาทิฏฐิหรืออยู่ที่มิจฉาทิฏฐิไม่ได้อยู่ที่สมาธิหลุดไม่หลุดคนที่นั่งสมาธิแล้วออกจากสมาธิมาก็ไม่เพี้ยนกันที่เพี้ยนก็เพราะว่ามันมีมิจฉาทิฏฐิบางทีนั่งแล้ว เห็นแสงสว่างก็บอกว่าถึงพระนิพพานแล้วนี่ก็เพียนแล้วออกมาก็ก็ประกาศบอกทุกคนว่าต่อไปนี้เราเป็นพระอาหารหันแล้วนะพวกเธอต้องยกมือไหว้เรานะพวกเธอต้องบูชาเรานะต้องเลี้ยงเรานะอย่างนี้ก็เพียนละอ่านไหมมีบางรายถึงขนาดที่จะให้พ่อแม่ไหว้ตัวเองครับอาจารย์นั่นแหละเพียนแล้วเพียนแล้ว <c oughs> คำถามข้อต่อไปจากคุณปุ๊กนะครับโยมนั่งสมาธิไม่เก่งแต่ก็ชอบสวดมนต์และนั่งสมาธิทุกคืนค่ะเวลานั่งจิตชอบวิ่งไปมาได้แต่ไล่จับให้กลับมาที่พุทโธเวลารู้ตัวหลังเพลินไปนั่นนู่นนี่เป็นระยะก็สนุกดีค่ะแต่ที่ชอบคือเจริญสติฟังเทศพระอาจารย์อ่านข้อความในเ c e b o o k คิดตามและเจริญปัญญาดีค่ะจะไปแนวจริต ป, ปัญญาอบรมสมาธิได้หรือไม่คะเคยฟังเทศหลวงตามหาบัวเทศค่ะถ้าคิดว่าจะไปทางนี้ก็ต้องทําให้มันสงบไปได้ถ้ายังไม่สงบก็ยังถือว่าไม่ใช่คืออ่านแล้วจิตยังไม่รวมก็ยังถือว่าไม่ใช่ปัญญาอบรมสมาธิแต่ถ้าอ่านแล้วจิตมัน ทราบซึ่งมันปล่อยวางมันเข้าสู่ความสงบได้อย่างนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาลมสมาธิงั้นมันอาจจะเป็นเป็นเป็นจริตที่ชอบอ่านแต่ยังอ่านไม่ถึงยังไม่ถึงแก่นของมันใจยังไม่ปล่อยใจต้องปล่อยจริงๆมันถึงจะรวมเข้าสู่ความสงบได้ คำถามข้อต่อไปจะคุณบุตรนะครับซึ่งถามมาหลายคำถามนะครับแล้วก็อาจจะผมจะรวมบ้างนะครับดับสัญญาเวททยิทนิโรธแล้วทำไมยังรู้ตัวอยู่คะธาตุทั้งสี่ดับทำไมยังรู้คือขันนี้มันไม่ใช่ตัวรู้ไงตัวขันนี้มันเป็นตัวอาการของตัวรู้อีกทีหนึ่งสัญญาก็คือความจาจำ จำเหตุการณ์ต่างๆจำหน้าจำตาจำเรื่องจำราวนี่เรียกว่าสัญญาแต่ตัวรู้นี้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้นี้ไม่ได้ดับไปกับขันเช่นเวลาเวทนาดับไปสัญญาดับไปสังขารดับไปวิญญาณดับไปแต่ตัวรู้นี้ไม่มีวันดับตัวรู้ก็คือตัวจิตนี้สักแต่ว่ารู้ไปอยู่เรื่อย เัง น, นมันต้องแยกแยะว่าในจิตนี้มีทั้งตัวจิตเองแล้วมีตัวขันขันมีขันสี่เรียกว่านามขันเวทนาก็คือความรู้สึกสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้สังขารก็คือความคิดปรุงแต่งวิญญาณก็คือการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาผ่านมาทางทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกเิ่นกายนี่เท่านั้น สีตัวนี้ดับได้หยุดได้เป็นเป็นเป็นพักๆเป็นค้างเป็นข่นขาวเวลาจิตมีสติมีสติกำลังแก่กล้ามากรวมจิตให้เข้าสู่ตัวรู้ได้ตัวต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปดับไปชั่วคราวแต่ตัวรู้ไม่ดับตัวรู้มีอยู่ตลอดเวลาข้อที่สองนะครับสภาพของจิตเดิมเป็นสภาพที่ไร้อารมณ์ เพราะไม่มีการปรุงแต่งใดๆใช่ไหมเจ้าคะเพราะก่อนการปรุงแต่งเราไม่ปรุงแต่งมาก่อนใช่ไหมก็จิตเดิมก็คือจิตที่สงบนั่นเองที่เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวได้ก็สักแต่ว่ารูนี่เรียกว่าจิตเดิมแต่มันเป็นจิตเดิมที่ยังมีกิเลสครอบงาอยู่เพียงแต่ว่ากิเลสมันตอนนั้นไม่สามารถทํางานได้เพราะเครื่องมือของกิเลสคือนามขันหยุดทํางาน ความคิดปรุงแต่งหยุดทำงานกิเลสตัณหาก็เลยไม่ทำงานแต่พอออกจากจิตเดิมมาออกมาสู่จิตปกติออกมาสู่การรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสรับรู้เรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆก็จะเกิดสังขารความคิดปรุงแต่งขึ้นมาพอเกิดสังขารตัณหาที่เคยมีอยู่ก็จะตามมาพอคิดถึงกาแฟก็เกิดความอยากจะดื่มกาแฟ พอคิดถึงแฟนก็อยากจะไปหาแฟนนี่มันจะตามมาทันทีเพราะฉะนั้นจิตเดิมนี่ยังเป็นจิตที่มีกิเลสอยู่ไม่ใช่เป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์นี้เป็นจิตที่ได้รับการชำระด้วยวิปัสสนาด้วยปัญญาทำลายตันหาความอยากไปจนหมดเส้นออกมาคิดปรุงแต่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ได้อยากคิดถึงกาแฟก็ไม่ได้อยากดื่มคิดถึงบุหรี่ก็ไม่อยากสูบ คิดถึงสุราก็ไม่อยากจะดื่มคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่อยากจะไปเพราะได้ทำลายความอยากทั้งหมดแล้วเพราะเห็นโทษของความอยากว่าเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองต่างกันตรงนั้นนี่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตพระอรหันต์จิตของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เป็นจิตที่ไม่มีความอยากต่างๆแต่ขันนี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมขันของปุถุชนขันของพระพุทธเจ้ายังมี ญาตโยมตอนนี้มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าท่านก็ยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ขันของท่านนี้ไม่ได้เอาไปใช้เป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วเอามาใช้เป็นเครื่องมือของธรรมะคิดกั่คิดแต่เรื่องธรรมะเนี่ยที่นั่งสอนตลอดเวลามานี่ก็ใช้สังขารใช้สัญญาความจาจาเกี่ยวว่าเรื่องธรรมะแล้วคิดกับเรื่องธรรมะ แล้วก็พูดออกมาทางปากเนก็มาจากสัญญาสังขารเหมือนกันแต่ถ้าเป็นของยากโยมเดี๋ยวพอคิดปั๊บก็อยากจะหากาแฟดื่มอยากจะหายนั่นทําหายนี่ทำเนี่ยมันต่างกันตรงนั้นจิตของพระหลานท่านไม่มีความอยากท่านจะทําอะไรนี้ทําทําด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจําเป็นเช่นดื่มน้ําก็ไม่ได้ดื่มด้วยความอยากดื่มเพราะว่าร่างกายมันบอกว่า น้ำไม่พอต้องเติมน้ําแล้วก็เติมให้เข้าไปเท่านั้นเองไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์กับการขาดน้ํากับการเติมน้ําแต่รับรู้ว่าร่างกายต้องต้องการน้ําก็เติมให้เหมันไปเหมือนกับเราขับรถเนี่ยน้ำมันมันจะหมดเราก็รู้ใช่ไหมเราไปทุกข์กับมันหรือเปล่ามันหมดหรือไม่หมดมันก็ไม่เกี่ยวกับเรามันเกี่ยวตรงที่ว่าถ้ามันหมดมันก็ไปไหนไม่ได้เหมือนก็ไม่วิ่งเท่านั้นเองถ้าเราอยากจะให้มันวิ่งเราก็ต้องเติมน้ําให้มัน ติมน้ํามันให้มันร่างกายก็เหมือนกันการดื่มน้ําก็เหมือนกับเติมน้ํามันให้ร่างกายถ้าไม่เติมน้ําเดี๋ยวคอแห้งมันก็เหนื่อยมันก็ไม่มีแรงที่จะพูดนะมันก็ต้องเติมน้ำพอไปมันถึงจะพูดต่อไปได้ข้อที่สมตะกรอนที่นอนก้นอยู่เราจะมีวิธีใดที่จะทําให้หมดไปได้เพราะในชีวิตประจําวัน ก็ต้องทํางานไม่ได้ภาวนาอย่างเต็มที่และมีตะรกอรนใหม่ๆเข้ามาอีกพระอาจารย์ช่วยแนะนําด้วยค่ะก็ต้องบวชนะก็ต้องเล่าออจากงานนะจะได้ทําได้อย่างเต็มที่คําถามข้อต่อไปจะคุณมีนานะครับตอนนี้พยายามทําคือไม่ออกไปคุกคีกับเพื่อนทํางานเสร็จก็กลับบ้านจะไปก็นานๆนนที พยายามมีเวลากับตัวเองและพิจารณาสิ่งต่างๆรอบตัวเท่าที่ทำได้นั่งสมาธิช่วงเช้าพยายามตั้งสติกับพุทโธมีหลุดบ้างคะ่ะไม่ดูทีวีฝืนตัวเองไม่ออกไปข้างนอกเดินเล่นซื้อของเหมือนเคยแต่ทำไมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เห็นความทุกข์บ่อยจังใครพูดอะไรทำอะไรไม่ถูกใจมาสกินิดนึงก็รู้สึกทุกข์แล้ว อยู่คนเดียวนึกคิดปรุงแต่งบางเรื่องก็ทุกข์แล้วรีบพยายามกลับมาที่พุทโธสู้ไม่ไหวก็ฟังธรรมะแทนจนเรารู้สึกว่าชีวิตมันทุกข์ค่ะแต่พอเจอเพื่อนๆทําไมรู้สึกว่าเขาดูมีความสุขกับการเที่ยวกินดื่มไม่ค่อยรู้สึกว่าชีวิตมันทุกแบบที่เรารู้สึกบางครั้งเหมือนเราแปลกจากเขาเลยอยากกลับเรียนถามพระอาจารย์เพราะไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัตินั้น ถูกหรือไม่เจ้าคะและควรแก้ไขอย่างไรเพราะเรายัางไม่ทําให้ใจเป็นสมาธินั่นเองเราต้องทําใจให้สงบให้รวมให้ได้เพราะถ้าใจสงบใจรวมแล้วจะมีความสุขมากกว่าการได้ไปเที่ยวไปดื่มไปรับประทานถ้าเรายัางไม่ปฏิบัติถึงขั้นนั้นมันก็จะเป็นแบบเนี้มันเป็นแบบที่ว่าเราเพียงแต่คอยต้านความอยากแต่เราไม่มีอะไรที่จะมาทดแทนความอยากนั้นมันก็เลยทุก แต่ถ้าเราทําใจให้สงบได้เราจะมีความสุขมาทดแทนความสุขที่เราต้องการจากความอยากนั้นพยายามเจริญสติทำใจให้รวมให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดทางปัญญาคิดไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้คิดไปแล้วก็สู้ตันหาความอยากไม่ได้ก็จะทุกข์นั้นคนปฏิบัตินี่ไม่เข้าใจกันคิดว่าไม่ต้องมีสมาธิกัน ถ้าไม่มีสมาธิเราไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ปฏิบัติก็เป็นศัก์แต่ว่าปฏิบัติไปอย่างนั้นเองแต่ใจจะฉื่อชืดใจจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจตลอดเวลาแต่ถ้าทำใจให้สงบแล้วมันเบามันโล่งมันเย็นมันสุขแล้วมันก็จะต่อสู้กับตันหาความอยากได้ คำถามข้อต่อไปจะคุณโบพงศกรนะครับลูกภาวนาพุทโธแล้วสักพักก็มีอาการพงกไปข้างหน้าบ้างผงะไปข้างหลังบ้างถ้าลูกเอาพุทโธตั้งไว้ที่ใจลูกจะไม่ทันเห็นมันแต่ถ้าลูกตั้งไว้ระหว่างคิ้วลูกจะเห็นมันเช่นนี้แสดงว่าลูกควรภาวนาโดยตั้งพุทโธไว้ที่ระหว่างคิ้วถูกต้องไหมครับและควรแก้อาการ พงกบ้างพงหะบ้างนี้อย่างไรครับกวามจริงถ้าเราบริกรรมพุทโธเราต้องตั้งสติอยู่ที่กับคำบริกรรมอย่าไปตั้งที่ตรงนั้นหรือที่ตรงนี้มันไม่เกี่ยวกันให้อยู่กับคำบริกรรมให้รู้ว่าเรากำลังบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองไม่ใช่ไปตั้งที่คิว้วหรือบางคนก้าไปตั้งกับที่ลมหายใจเข้าออกซึ่งมันไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้อง ควรจะอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่กับที่ตัวพุทโธนี่แหละเราพุทโธพุทโธไปขอให้เรามีสติรู้ว่าเรากําลังพุทโธอยู่พุทโธยังไม่หายไปให้รู้อยู่แค่นี้พอออคําถามข้อต่อไปจะคุณทันพิสิทธิ์นะครับผมได้ปฏิบัติภาวนาพุทโธ ซึ่งแต่ละครั้งจิตสงบบ้างไม่สงบบ้างซึ่งช่วงหลังมานี้จิตของผมค่อนข้างฟุ้งซ่านและชอบคิดไปในเรื่องต่างๆมากจึงอยากกาับเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราควรมีวิธีปฏิบัติต่อความคิดฟุ้งซ่านยังไงดีครับเพราะเราจเจริญพุทโทน้อยไปความจริงเราควรจเจริญตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเลย อย่าให้มีช่องทางให้ไปจิตไปคิดเรื่องราวต่างๆมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านเราปล่อยให้มันคิดไปเรือเ่อยเปื่อยมันก็ฟุ้งซ่านขึ้นมา<ะ>ถ้าเรามีพุโทโธกำกับความคิดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับรับรองได้ว่าไม่ฟุ้งซ่านใจจะว่างจะเย็นจะสบายไม่ว่าเราทำอะไรเราก็พุโทโธพุโทโธไปพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธลุกขึ้นจากเตียงก็พุโทโธเดินเข้าห้องน้าก็พุโทโธ อาบน้ำอาบท่าก็พุทธโทแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทธโทไปอย่างนี้รับรองจะไม่มีวันพุ่งร้านได้และเวลามานั่งสมาธิก็เดี๋ยวเดียวก็สงบได้ในปัญหาของนักปฏิบัตินักภาวนาก็คือตรงที่ไม่ยอมจเจริญสติกันเวลานั่งสมาธิก็จะเอาให้สงบเลยมันไม่มีทางที่จะสงบได้เพราะปล่อยให้มันคิดมาตั้งแต่เช้าพอตอนเย็นจะมานั่งสมาธิให้มันสงบมันจะสงบได้อย่างไร เราต้องคุมมันตั้งแต่เ ต, ตื่นขึ้นมาเลยอย่าให้มันคิดคิดเท่าที่จําเป็นหรือถ้ามันจะหลุดก็หลุดบ้างเป็นปกติใหม่ๆมันไม่มีทางที่จะพุโทโธไปได้ทั้งวันมันก็พุโทโธบ้างหลบไปคิดนั่งนั้นนั่งนี้บ้างก็ยังดีกว่าไม่มีพุโทโธเลยเหมือนกับรถที่วิ่งลงเขาเนี่ยถ้าไม่มีไม่แตะเบรกบ้างเลยเดี๋ยวมันก็แห่โค้งแต่ถ้าเราคอยแตะเบรกแตะเบรกไว้มันก็ยังวิ่งอยู่ในถนนได้ฉันใดความคิดของเรา ถ้าเรามีพุทธโธพุทธโธอยู่อย่างต่อเนื่องขาดบ้างเกินบ้างอย่างน้้นมันจะไม่ฟุง้งซ่านมันจะไม่แหกโค้งแต่ถ้าเรามีพุทธโธได้อย่างต่อเนื่องจนไม่คิดเรื่องราอะไรได้ใจมันจะว่างจะเย็นทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิใจก็จะรวมได้เพราะงะั้นนะพยายามให้ความสาคัญกับการเจริญสติก่อนอย่าเพิ่งไปให้ความสำคัญกับการนั่งเน การนั่งนี้จะได้ผลไม่ได้ผลนี้ต้องอยู่ที่การมีสติอย่างต่อเนื่องหรือยังแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้นั่งก็นั่งได้แต่นั่งจะได้ผลมากผลน้อยอยู่ที่สติถ้าเรามีสติมากเวลามานั่งมันก็จะได้ผลมากถ้ามีสติน้อยเวลามานั่งก็จะได้ผลน้อยบางวันนั่งไม่ได้เลยเพราะสติไม่มีเพราะไปคิดไปวุ่นวายกับเรื่องงานเรื่องการพอถึงเวลาจะมานั่งเรื่องงานเรื่องการมันก็ยัง ไหลเข้ามาไหลเข้ามาอยู่อย่างนั้นนี่เพราะว่าเราไม่ได้หยุดความคิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะนั่งสมาธิให้จิตดวงให้ได้ผลต้องจเจรินสติให้มากมก่อนก่อนที่จะมานั่งคำถามข้อสุดท้ายจากอินเทอร์เน็ตประจาวันนี้นะครับจากคุณจินนะครับหนูมีเรื่องจะถามแฟนหนูไม่มีสินห้าสักข้อเลย แล้วหนูคิดจะหนีไปอยู่วัดถือศีลแปดนานๆไม่บอกแฟนแบบนี้เราจะเป็นบาปไหมคะที่ทําให้แฟนทุกข์ใจก็อย่าก็เข้าไปเสียก็หมดเรื่องคนไม่มีศีลไปอยู่กับเขาทําไมออยู่กับคนบาปมันจะได้อะไรเออย่าไปเลยเราจะได้ไม่บาปจะได้ไปอยู่ของเราได้ตลอดเวลาหมดคาถามแล้วใช่ไหมกายอยากจะถามใหมบนนี้ ร้อมได้ินว่ามารพระชานครับอ่าเมื่อเมื่อเช้าได้ฟังวิทยุครับเกี่ยวกับอ่าผู้ที่โดนยัดข้อหาเลยอย่างเงี้ยครับก็มันจะเป็นเป็นเรื่องความทุกข์ของเขาครับแต่ทุกครั้งเนี่ยที่เราฟังหรือได้เสพสื่อข่าวประเภทนี้มาเนี่ยเราก็มักจะไปเมื่อฟังแล้วเนี่ย หรือเสพมาแล้วเนี่ยเราก็จะไปหยุดที่อุเบกขาก็คือเรื่องของเขากรรมของเขาแต่ในความรู้สึกแรกเนี่ยที่ได้ฟังเนี่ยมันจะมีตัวตัวอ่าตัวสงสารหรือตัวหรือตัวอ่าตัวแต่ตัวโกรธไม่มีครับเพราะไม่ใช่เรื่องของเราแต่มันจะมีตัวตัวสงสารแล้วก็คิดตามอยู่นิดนึงครับพอพอได้ฟังทันทีอ่ะแล้วมันก็จะตัด เข้ากรรมของเขาเรื่องของเขาโดยอัตโนมัติอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ต้องหรือว่าต้องต้องต้องไม่มีเลยครับถ้าทำไปบก่อนต่อต่อไปมันก็ไม่มีเองพอมันรู้ว่าสงสารไปก็ป่วยการก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำอะไรได้ก็ทำไปถ้าเราเป็นทนายก็ไปช่วยยื่นไปแก้ไปแก้แกข้อกล่าวหาให้เขาไปถ้าเราอยากจะช่วยเหลือเขาแต่ถ้ามันมีหลายคดีหลายคน เราคนเดียวคงจะทําไม่ไหวเราก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามการรมของแต่ละคนไปแต่แต่ความรู้สึกแว บ, บแรกเนี่ยเพียงชู้คู่เดียวประมาณวิสองวิเนี่ยที่มีความรู้สึกสงสารแล ะ, ะทั้งผู้ทําและผู้ถูกกระทําเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมครับอาจารย์หรือจำเป็นต้องตัดทิ้งเลยครับอาจารย์จะว่าไม่เป็นไรก็ได้แต่ถ้าต่อไปมันชํานาญขึ้นมันก็จะตัดทิ้งไปโดยปริยายเอง ต่ไอไปเราเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แลอวเราไปทุกข์กับมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอยนะถ้ามีไหมไม่มีแล้วนะ อ, อ่าอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องค่ะเอ่อมรสการพระอาจารย์ค่ะอย่างนี้ก็คือทำให้เราเรานี่ต้องเฉยเฉยอย่างเดียวหรอคะ เราเฉยแล้วเราสบายหรือทุกข์อะเวลาเราเฉยะก็สบายค่ะอันนี้เราเราอยากจะสบายเราอยากจะทุกข์อะคือคือมันเรื่องของเขาอะไปทุกข์กับเขาแล้วเราทําอะไรไม่ได้ก็เท่านั้นนะครับก็ต้องอุเบกขาปล่อยกรรมของเขาก็ทํากันมาครับเอาแล้วนะถ้าอย่างนั้นขอให้ท่านจะเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ